Ik heb de buurt Ik heb het niet in de buurt gezet. Ik heb de Ik heb het niet de Ik heb het niet de Ik heb het จะต่อจากตอนที่ไป 3,000 บาทแล้วก็ลมจําชื่อไม่บาทแล้วกันเอ่อคุณ เหลือป้าน้อยแล้วก็แล้ว 500 บาทค่าน้ํามันเมื่อไปถึงกรุงเทพฯคน 1,000 บาทถ้าต่อมาเมื่อเธอประตามไปถึงบาท ik kan bijkomen in Koppengang, Koppengang, Koppengang, Koppengang, Koppengang, ในนามของลูกคณะทั้ง 9 ของแม่สมจินได้นําปัจจัยมาถวายอาตมา 110000 บาท 100000 บาทที่บอกว่าขอถวายเป็นส่วนประดับเรือนแก้วขององค์ประถมจะ ขอให้เธอตัดสินใจตามนั้นเธอ แล้วต่อ 50,000 บาทแล้วก็ 50,000 บาททั้ง 9 ถวาย 45,560 บาท แล้วคุณสมบูรณ์ถวายค่า 3,000 บาทเมื่อไปส่วนส่วนที่ ที่สร้างเจดีย์ปัญจโฆรมหธาตุแล้วก็ 23,600 บาทเมื่อ 312,160 บาทแล้วก็อีก 13,500 ขออีก 133,528 บาททั้ง 447,378 บาทค่าวัตถุมงคลที่บาทร่วมๆ 62,241 บาทแล้ว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 แล้ว 4,560 บาทแล้วก็บรรดาลูกหลาน 72,416 บาทแล้วอีก 500 บาทตรอมๆ ก็ 1,37,476 บาทแล้วก็มาที่ 54,740 บาทแล้วก็ เมื่อกลับมาถึงบาทก็เป็นว่า เมื่อไม่ไปท่านก็นํามาเด็กและคนในวัดโรงเรียน นั่น 1 คันรถพอ 2 โรงเรียนก็ช่วยกันกิน 1 คัน 6 ล้อพอหมดธรรมสันติก็ 1 คัน ก็เลยกินต่อกันไปอีกพอกินต่อหมดแล้วไม่กี่วันก็ไปบ้านคนตำบลกลับมาคราวนี้คนตำบลก็นํามาอีก 1 คันรถกับ 1 คัน ik heb een paar de kant. Ik heb een paar dingen de kant. Ik heb een paar dingen de kant. Ik heb een paar de kant. Ik heb de kant. Ik heb een paar een een แล้วก็จ่ายเงินจริงๆทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่ติดตามก็ <c oughs> ram bij, want iedereen heeft trots Het is niet je niet naar een bepaalde plaats moet gaan om Het zo je niet naar een bepaalde plaats moet gaan om Het is niet je Het je ในเมื่อไปถึงที่นั่นท้องเดินหนักท้องทาย 2 ครั้งหนักมากรู้สึกอยู่โชคราวต้นฉันญาณกระตุ้นประสาทก็ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะวัดหนองกุยวัด ik heb een paar Ik heb een paar Ik heb een paar Ik heb een paar Ik heb Ik heb het paar Ik heb een Ik heb een paar Ik heb อีกกี่ระวังสะท้อนมันจําไม่ได้พอรถเลี้ยวเข้าห้วยสะท้อน เรื่องการเป่าแยงกุเป็ดนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเค้าเป่ากันยังไงถ้า 5 เท่านั้นคําว่าเสาร์ 5 สมัยคํา ถ้าอาตมาไปในงานนี้ถ้าเผอิญไม่ป่วยนะเพราะจริงที่ไม่ไปเนี่ยเค้า nu wil ik aanmelderen, lang genoeg om aan te gaan, lang genoeg om aan te gaan, lang genoeg om aan te gaan, lang genoeg นั่งเราจะนั่งตรงไหนเราก็นั่งของเรากูจะจมก็ไม่กลัวตามใจทุก ยังกรอบเพชรที่ความ 2522 อาตมาป่วย คุณหมอประสิทธิ์ไอ้เอ่อลืมนักสกุลไปแล้วนะกําลังให้น้ําเกลือ ขณะที่บอกว่าเอ่อขณะที่หมอประสิทธิ์ฟูตระกูลให้น้ําเครือแล้วเธอก็ออกไปก็ดอนภาวนาอยู่ขณะนางก็เห็นภาพหลวงพ่อปานท่านมาท่านบอกว่าตอนนี้ไปเธอต้องเป่า <c oughs> แต่ว่าที่เขาจะเรียนจากคนอื่นก็มีเรื่องต่างๆ5 ก็กราบเรียนท่านบอกว่าผมเป่าได้แต่ว่าเกรงว่ายันต์จะไม่ออกท่าน <c oughs> <c oughs> ท่านเองในสมัยที่ท่านเป่าก็เช่นเดียวกันฉันไม่ได้เป่าฉันก็ทําตามพระท่านสั่งท่านสั่งให้เขียนยันต์กรอบเพชรได้ยินอยู่หลังกระดานถ้าท่านสั่งภาวนายังไงเราก็ภาวนาอย่างนั้นณท่านกระเป๋าของตัวเองเราก็ดูภาพว่ายันต์กรอบเพชร ก็เป็น 2523 ยันต์กรอบเพชรเป็นครั้งแรกรู้ว่ายันต์กรอบเพชรสําหรับคุณสมบัติ เพราะใช้ธงมหาวิชัยสงครามด้วยถ้าใช้ยันต์ร่อเพชรอยู่ดูข้างบนเป็นยอดธงมหาวิชัยสงครามต้องถือว่าเป็นยันต์ที่มีความสําคัญมากถ้าอาตมาอาตมา ยันต์ผ้าด่านนั่นคือผ้ายันต์มหาวิชัยสงครามเรื่องมีวาทในขณะที่อาตมาออกไปจากกรุงเทพฯมหาวิทยาลัยบาลีที่กรุงเทพฯกลับมาที่วัด 2492 ในตอน จำใจที่จําจะต้องเป็นเจ้าอาวาสก็ช่างเขาไม่มีความ ก็วิทยุที่ชอบฟังเฉพาะข่าวเรื่องเพลงเรื่องละครเรื่องอะไรนี่มันฟังไม่ค่อยได้ฟังได้เหมือน <c oughs> ไฟก็ดับมองไปดูเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวเดินเข้า แล้วเธอทําไมจึงไม่ไม่ก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าผมทําไม่ได้ขอรับพระองค์คงพอ เธอก็บอกว่าเธอต้องทําถามว่าทําไมจึงต้องทําเธ 50% <c oughs> เพราะฉันไม่ช่วยแล้วท่านก็บอกก็กัน ja, hij is een mait, hij is een mait, hij is een mait, hij is een mait, hij is een mait, hij is เจ้าไม่มีอันตรายจากสนิทอย่างไรทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อท่านได้ดูเห็นเขียน 4 คําตอน ให้ก็พิมพ์ผ้ายันต์ใหม่เสร็จถือบอกอย่างนั้นได้อาตมาก็บอกว่า ตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนมัน จะสร้างพระก็ดีจะทําเป็นโกดโกดีจะทําผ้ายันก็ดีจะทําพญานหมายใจสงครามก็ตามทุกอย่างให้เถือผ้าขาวปูเข้าไว้ถ้าของวางไว้เบื้องหน้าบรรทกมีผ้าขาวให้จุดธูปจุดเทียนอัตตะตาอรัตตะตาหัวไตรสนาคมเสร็จระลึกถึงบารมีองค์พระองค์สมเด็จพระสัมมาตะพุทธเจ้าบวงสงฆ์เสร็จ หลังจากนั้นฉันจะมาทําให้เองแล้วก็เธอนั่งอยู่ว่าคถาตามฉันที่หน้าที่ของฉันโดยตรงกรง ย่างอินวาเพยก็ดีบรรดาศาสนพุทธบริษัทพระต่างๆดีที่อาตมาธรรมความจริงและญาติโยม ในตอนต้นๆก็ท่านพรหมชนิดที่ 8 <c oughs> ถ้าท่านมาทามหาชมพูบ้างทับประกาผมบ้างรับไปอินบ้างถ้าอาตมาช่วงระหว่างนี้ <c oughs> แล้วก็นั่งฟังคําแนะนําของพระผู้ควบคุมจะมีพระองค์หนึ่งเข้ามาควบคุมมาอยู่ใกล้ๆ จึงกว่าท่านจะบอกเลิกกล้องว่าจริงจริงๆ คือไม่ยอมรับคําสอนไม่ยอมรับคําแนะนําของครูบาอาจารย์ใน พิเภกาน 1 การเป่ายังก็เป็นตั้ง 3 องค์นี่จะเป่าก็ยังไงคือศรีลิงขาวอยู่หน้าหรือศรีดำรองแล้วเป็นเล็กรองถ้าว่ากันตามชาวทางโลกแล้วทางอวโศก็มีอวโศมากกว่าศรีลิงขาวศรีลิงขาวนี่ก็คุณผูกไม่ผูกเดียวกันไม่รู้ว่าท่านเกิดมาจาก ตะลิงขาวที่เป็นเพื่อนอาตมานั่นยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ที่อยู่ในป่าไม่ได้ออกมาตะลิงขาวองค์ที่เป่ายังกับเพศิคนน่ะฝูง เพราะว่าใครๆก็ทราบว่าการเป่ายันต์ สุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขอตั้งสัตยาธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธัมมรัตนะและสังฆรัตนะทั้ง 3 ประการก็จงอภิบาลทุกท่านท่านเจ้าของบ้านก็ดีท่าน ขอทุกท่านเอาตามขอทั้งหมดจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์